เอบรรทัดเป็นอาจารย์ถ้ามูมากลากไปเชิดแมลงวันก็มแมลงพึ่งเราสังเกตดูว่ า, มาแมลงวันเราตัดถี่นเองก็ได้มแมลงวันกับแมลงพึ่งอันไหนมันมากก็มแมลงวันมันมันมากแมลงพึ่งก็มาปฏิบัติตา ม, มาแมลงวัน มแมลงมันก็ อ, อ, กอ้างว่าโลกเขานิยมต่อยคานิยมมันก็ว่ า, ป, าประชาธิปไตยมันมแมลงพึ่งมันก็ว่ า, ป, าประชาธิปไตยมันคือเมื่อแมลงพึ่งไม่ยอมเข้าด้วยเพราะมันไม่มีประโยชน์ะฉันใดก็ดีจะเพิ่มเพียงกัดเพียงกันสักเพียงไหนก็กตามถ้ามันปีนทาปีไม่ในก็ไม่ให้เอาเยปุยชิกาเอาคนมากเป็นประมาณเป็นบางอย่าง คนมากเหล่านั้นจะเรียนจบพราไตไปดฎกก็ตามความประพฤติของเธอมาดีมาให้มาออกเสียงนเมื่อเธอออกเสียงความประพฤติของเธอมาดีเธอก็โอนไปในทางความประพฤติของเธอนั่นเองเธอมาออกเสียงมันมีขอบเขตในเะรื่องขั้นพุทธกาลนี่เราจะเอา แต่สถาบันประชาธิปไตยหน้าเดียวไม่มองดูทรรมาธิปไตยมันก็ไปไม่รอดนั่ง น, นั่ง น, นั่ไหนก็เหมือนกัน่ะปกครองลูกลูกร้านเดีนยนก็เหมือนกันไม่ว่าแต่ส่วนรวมแม่ส่วนปกครองเราตัวเองก็เหมือนกันถ้าเราไม่มองดูทรรมเราก็ไปไม่รอดนั่ง เรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธพระพุทธศาสนาเป็นแกงของโลกทุกยุคทุกสมัยทุกทุกพระองค์เลยโลกเขาไปถูเป็นผู้รู้แจ้งโลก ประเทศอื่นไม่ได้พูดแบบนี้ถึงพูดก็พูดแต่ปากคำพูดดีกว่าความประพฤติของตนศาสนาอื่นไม่น้าท่องกล่าวตูวว่าพระพุทธศาสนาเป็นลูกศิษย์ตนอีกด้วยนั่นเสียงอันนี้เสียงอะไรก็เสียงขุดเอาจอบขุดดินถมตนนั่นเอง ไม่ใช่เสียงพูดธรรมดาแบบไม่มีบุญไม่มีเสียงอะไรก็คือเสียงโลอุตระนรกเป่งอุทานโอ้มไม่ใช่เสียงโลกันตานรกเป่งอุทานกกนันกทีภาลาปนิน า, า, นานยาการ คนพานไม่ใช่คนหัวหน้าเนอะตบะลุัสสระบันเทตาปรินายกกาบันทิตจึงเป็นหัวหน้าถ้าเราปฏิบัติส่วนตัวของเราเราจะโยนมาอย่างไงคนผ่านไม่ใช่คนหัวหน้าหมายถึงกลุ่มภายนอกส่วนกลุ่มภายในของของเราคืออะไรคนพานในส่วนตัวเราขณะกิจใ ด, ดที่มันไปในทางบาปคณะจิจนั้น อย่าเอามันเป็นหัวหน้าขณะจิตไปใดมันไปในทางกุศลถึงนั่นจะควรให้มันเป็นหัวหน้าถ้าพูดเป็นทางปรามัดขณะใดมันมีกามมัเวตกความตึกในกลามพยาบาทมัฟวตกความตึกในพยาบาทมีเหงสาวมวตกความตึกในทางเบีอดเบียนสมัยนั่นอย่าให้มันเป็นหัวหน้า เรียกว่าไม่เอาคนผ่านเป็นหัวหน้าสมัยมันนึกอย่างนั้นขับมันหนีถ้าเรารู้ตัวเไม่ไม่แต่ไม่รู้ตัวครูก็เห็นพร้อมกันค่ะคุณแม่ค่ะคุณแล้วเราจะขับมันออกยังไงคือบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนรู้ตัวค่ะแต่ก็แพ้มันทุกทีที่แพ้มันทุกทีเพราะมันขาดอนัตตาธรรม ถ้เห็นอนัตตาทำชัดแล้วมันก็แยกกันออกได้เห็นเป็นตาสักว่าเห็นรูเป็นตาสักว่ารูไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลสิ่งเหล่านั้นเป็นของมาเที่ยงสิ่งที่เราเห็นอยู่มันมันก็เป็นของไม่เที่ยงเราจะไปล เ, เรื่องกับของมาเที่ยงยังไง เพราะในไตโรคธาตุนี่มีแต่เกิดขึ้นแด้แปลปวดได้แตกสลายซึ่งภายในของสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันภายนอกของสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันไม่มีอะไรกีรังยั่งยืนเราจะไปเอาเรื่องกับสิ่งที่ไม่กีรังยั่งยืนเราจะไปเอาเรื่องอะไรกับมันเราอย่าเธออย่าไปกําหนัดสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ไป็นน่าตาเธออย่าไปําหัิเธออย่าไปโกรธให่มันเธอจงรู้ตามมจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรา เบาลงมาตัดรากรอย่างนั้นมันจึงจะเบาลงถ้าหากว่าเนืยกว่าอันนั่นก็เป็นเราอันนี้ก็เป็นเขาอันนั้นเป็นสัตว์เป็นบุกคนอยู่มันก็ชนะมันไม่ได้แลนะมันต้องเอาธรรมะอันลึกลงไปอีกกว่านั้นขนาดสมาที่ต้งโต้งไม่ไม่ได้อยู่หรอกไม่อยู่เลยถอนออกมามันก็ไปแบบเก่าวันละ ตอนออกวามันก็ไปแบบเก่าว่ราคะเกิดมาเกิดเข้ามาเอออะไรมันสวยผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือผมขนและฟันหลังเราเอ็นกระดูเกเกลืนใกระดูกว่างห้วใจทั้งความฝืด ใ, ใจปลอใส่ใส่ร้อยอาหารใหม่อาหเก่ า, อ, กาอันนี้เป็นธาตุดิน ดิสด like so so ียดดองเลือดเมันก้อนนำตาไปมานานาลมุกรำกายข้อนน้ำมูดอันนี้เป็นธาตุน้ไฟที่ร่างกายให้อุ่นไฟที่ร่างกายสดโสไฟที่ร่างกายโกลวายไฟเที่ยวเผาอาหารนย่อยอันนี้เป็นธาตุไฟลมพัดขึ้นบงบนลมหาลมเรือลมอวกลมพดลมมื่อต่ลมในท้องลมในทลมัไปตาตัวร้อยใส่เข้าออกนี่เป็นธาตุลมไฟที่รางยให้อุ่นไฟที่ร่างกายสดโสไฟที่รางกายโกลวายไฟเที่ยวเผาอาหารนย่อย อันนี้เป็นธาตุไฟเดินดน้าไฟโรชุงกันเป็นกายเรียกว่าลูกเรียกว่าลูกขันสิ่งที่เป็นของแข็งก็จัดเป็นธาตุดินสิ่งที่เป็นของเหลวก็จัดเป็นธาตุน้ําสิ่งที่เป็นความอบอุ่นก็จัดเป็นธาตุไฟสิ่งที่พัดไปมาก็จัดเป็นธาตุลม ถ้าหากว่าเธอรักดินน้ำไฟลมว่าเป็นของสวยของงามเธอก็เอาดินเอานา้ำเอาไฟเอาลมไปจีบไปกอดไปรักไปดมสิ อุบายบอกมันนั่นก็ร่างกระดูกนี่ก็ร่างกระดูกเธอสาคัญว่าธาตุดินต่อธาตุดินไปกระทบกันเธอก็สาคัญว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลธาตุน้ำต่อธาตุน้ำจะกระทบกัน ้าไฟต่อธาไฟไปกระทบกันมีจอมพลชีเดชเป็นผู้บังคับี่อุบายอของปัญญามันก็เบาถึงไม่ขาดก็เบาอันนี้เราไม่ยอมพิจาาตามมันพลมบอกว่าไปเถอะแล้วก็ไปเลยเออ จะไปไหนก็ขอให้มีเศษพิจารณาบ้างครับเราไม่พูดสระเห็นคนที่ไม่ชอบใจพอเห็นเขาเียากับเกลียบกเกลี่ยโกรธถูกไหมแล้ก็สอนเราสินั่นคนที่ไม่พอใจของเธอเธอมองไปละวเกลียยโกรธสิบอกมันทักมันขวัญแล้วมันไม่กล้าหรอกนั่นเธอที่เออหญิงคนนั่นชายคนนั่นที่เธอชอบ พอเธอมองเห็นเธอก็ต้องเตรียมรักษสียที่ทักมันก่อนแล้วมันก็ห้ามเบรกเหมือนกันอันนี้วิธีหนึ่งเนี่ยเราเป็นผู้อยู่เหนือใครเพราะว่าโรศาศาสนาเราไปไปตามความนึกคิดทุกอย่าง ความนึกคิดที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ไปเรามีสติมีปัญญาอยู่เหนือใจปุริสสธรรมสาระติฝึกกิจดีแล้วเหมือนนายสารถีฝึกมาปุริสสปุริสสะธรรมสารสะาระรติสัทธาเทียมนุสารางเราเจงกล้าสั่งสอนเทวดาและมนุ์ตังลายเราลงมาจากลา พุโทโธเราตื่นแล้วตื่นออกจากความหลงแล้วพระคว่าเราจำแนกได้แล้วเราจะแนกทานศีลภาวนาแล้วเาวัดปฏิบัติได้แล้วเราจำแนกธรรมะชั้นต่ำชั้นสูงชัง้นกางได้แล้วจำแนกธรรมหรือเรามีโชคแล้วพระคาว่าแปลว่าผู้มีโชคก็ว่าเป็นผู้จำแนกธรรมก็ว่าเรามีโชคที่ได้ไม่ไม่มาโลกมาโกรธมาหลงแล้ว เราว่าโชคของเราเราสร้างโชคให้เกิดขึ้นไม่ใช่วันเดือนปีสร้างให้ราหุลกระจกเงามีไว้ทำไมพระร า, าันตสาธาถามสมเด็จราหุลม่สำหรับจ้องดูเงาหน้าพระเจ้าข่า เออดีละปัญญาก็มีไว้สําหรับสอนสองมัจจำธรรมรงม์สตราสอนลูกชายซึ่งอายุเจ็ดปีเพราะเหตุใดเราจึงละกิเลสไม่ได้ก็เพราะเราเข้าทางกิเลสมานานแล้ว เราเริ่มใสมันนานแล้วมันบอกว่าใต้หันอย่างนี้เราเคารพมันเลยวัฒยาหัตมันเลยใต้หันเลยมันบอกว่าขวหันเราก็ต้องขวาหันเลยแล้วก็เตรียมตัวลุกลบมันเลยพราะเราเคารพมันถ้าเคารพธรรมะยิ่งกว่ากิเลสไหนกิเจะดึงไปได้นั่น ทนี่ยังไม่อ็กตนี่ลูกระเบิดปรมานูธรรมพุทธศาสนาตาไม่ใช่ตัวตนเนอะภิกษุทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาโอ้ทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเนอะกลิ่นทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเนอะจมูกกลิ้น ตาหูจมูกเกลิ่นกายใจไม่ใช่ตัวตนเนอลูกเสียงกลินรสโผฏฐัพพะกรรมารมณ์ไม่ใช่ตัวตนเน อ, เ, นะะาา เ, นอเป็นแต่สักว่าธาตุมาสัมผัสกันพอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเนอะพิสุจงเป็นผู้รู้จักตาพุทธบริษัทจงเป็นผู้รู้จกักตาพุทธบริษัทจงเป็นผู้รู้จักหูจึงจงเป็นผู้รู้จักจมูกเกลิ่นกายใจเหมือนกัน ตาหูจมูกเล่นกายย่นลงมาเป็นกายใจ ย, ย่นลงมาเป็นใจของเก่ารูป ย, ย่นลงมาเป็นกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าเป็นนามคือเป็นใจนั่นพิงแล้วนี่ไม่ใช่ของพวกท่านเนอไม่ใช่ของเราของเขาของสัตว์ของบุคคลเนอเธอทั้งไว้ารงตัวตามเป็นจริง เทั้งหลายอย่าไปกรรเอาแดดอารมณ์มาเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเนอ้อกรรมไม่ได้หรอกส่าวพูดอย่างนั้นเราสมมุติพูดกันก็พูดว่าเราขอสัตว์บุคคลเพื่อให้รู้จักความหมายท่านไอ้แค่ๆก็คือสมมุติก็ตามเป็นจริงของสมมติไม่สมมติก็ตามเป็นจริงของสมมุติจะเอาไปคัดค้านกันเนอ้อคัดค้านพวกเธอที่ไปหลงสมมุติไม่สมมตินั้นะ เด่๋ไปคัดค้านสมมุติวิมุตต์คัดค้านพวกเธอไปหลงสมมุติแล้วิมุตต์นั้นยืนยันว่าสมมติเป็นตนยมยืนยันว่าวิมุตต์เป็นตนเธอทั้งหลายก็ต้องมีมานะทิฏฐิอยู่นั่นเองนการมาลาขละขาดไปได้ก็คือพระอนาคามีพระโสดาบันยังไม่ขาด แต่พระสะวัสดิ a w a ไม่ขอบเขตไม่ยอมร่วงละเมิดในกรรมอารมณ์กับชายอื่นหญิงอื่นนอกากาสามีภรรยาของตนพระสะวัสดิ a w a ไม่ขอบเขตไม่ได้กินทั้งทางความทางอายเนี่ยไมีขอบเขตอยู่นะเมื่อมีอยู่ขอบเขตอยู่นั้นแล้วก็เดินรุดหน้าได้สิเนี่ยเมื่อยังไม่ถึงพระสสดา a ันเดินรุดหน้ายังไม่ได้เนอะ นี่นนี่ น, นี่เป็นหน้าหลายวนเป็นคนหลายไก่นี่นี่นี่นี่นีมดไต่ขอบโด่งนี่นี่มดไต่ขอบโด ง, ดดงถ้าถึงพระศรรามนะันเดินรดผ่านขอบด่งเลยผ่านศนกลางของขอบโดงเลยสมมตุติขอบดงนั่นคืออะไรคือโรคโกด๋องคือโรคแต่ไม่มีประมาณนวนขอบโดงด้วย โลกโกลงกว้างแคบสักเพียงไหนก็ไม so ่มีประมาณอีกความที่ไม่โลกไม่โกดไม่หลงกว้างแคบสักเพียงไหนก็ไม่มีประมาณอีกมืดมีประมาณเท่าไหรก็ไม่มีประมาณอีกสว่างมีประมาณเท่าไหรก็ไม่มีประมาณอีกอันเดียวกันเมื่อเรารู้ทันมันมาถึงแล้วเราเรารู้มันถึงแล้วมันหายไปเองบาท่านบอกว่าขอให้ละนั่นขอให้ละอันนี้ก็ถูกอยู่พ่อพูดเป็น บุคลาที่ฐานเป็นกิริยาไอ้ที่แท้เมื่อเรารู้ตามเป็นจริงของมันแล้วมันละมันเองเช่นเราลับตายอย่างนี้เราลืมขึ้นตาของเราดีๆอยู่และแสงสและและเอมไม่มีที่มืดด้วยมืดมึงหนีซะเราก็ไม่ทํากิริยาละมันมันไปพร้อมกันไม่มีอันใดก่อนอันใดหลัง เช่นเราลับตาเข้ากับเหมือนกันมืดมึงมาฮะมันก็ไม่ไม่ไม่เรียกมันมาเองมันนี่เรืมุชฮะอนนี่แะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทูกเรารู้เท่าอันไหนอันนั่นก็สิ้นความสงสัยไปในตัวและก็ไม่ขบดคืนด้วยนี่ยครามรู้ทำจริงเช่นเรารู้ว่าอุจจระมันมีกลิ่นเป็นยังไงอย่างนี้ มันขบดคืนเราไหมว่ามันจะหอมมันก็มันก็ไม่ขบดเราคืนถ้าเราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นโทษจริงๆฉะนั้นเราจะหาอุบายไปล่วงมันที่เราไปล่วงมันก็เพราะเราว่าเห็นว่ามันเป็นคุณอยู่ว่าก็พอใช่พอสอยอยู่ว่าถ้าเราเห็นเราเป็นโทษโตงๆเราจะไปล่วงทำไมอันนี้ข้อหนึ่งด้านปัญญาเนี่ย ใครกับไฟเหมือนกันถ้าเราเห็นว่ามันร้อนเราจะสามารถไปจับเปลวมันหรือฐานมันทำไมเราไม่ไม่สงสัยว่าจะไปจับเลยสูสูสูสูสสสระวังปูเนอรระวังผมเนอะระวังดิฉันเนอจะอให้ไปจับไฟนะันเราก็ไม่ได้บอกใครไวเ้เราก็ไม่ได้เตือนเราไว้ว่าอย่าไปจับไฟเพราะเราเคล็ดลาบแล้ว เราลูกมันแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยน้าลายก็เหมือนกันระบวดออกทิ้งแล้วเราจะระวังเราหรือไม่จะไปเอาน้ำลายที่บวดออกทิ้งคืนมาใส่อีกไม่ฉันใดกว่านีทุกสิ่งทุกอย่างก็อย่างนั้นพวกเลกๆผ้าผาบัดบัดเบอเบอร์ก็ดีถ้าเราสำคัญว่ามันเป็นโทษเก้งๆอย่างนี้ เราก็ไม่เสียดายอย่างนั้เราเมือเราก็ไม่นักไก่ด้วยนั่นเพราะเราเห็นชัดแล้วเราไม่เราจะนักไก่ทาไมที่เรานักไก่ก็เพราะเรายังไม่เห็นสิ่งนั้นชัดนะยังงอสมอยู่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ก็ค่ายกับว่าเห็นกงจากก็เป็นดอกบัวเห็นจากหงวก็ไปผูกกอเล็ก ความสำเร็จอยู่กับความพยายามเราพยายามรู้ตามเป็นจริงมีส่วนน้อยแต่ว่าความหลงมันเอาปเป็นเปเมืองเครื่องของมันมาล่างสมองพอพอแล้วมันก็สู้มันไม่ไหวสิ <c oughs> ความสำเร็จอยู่กับความพยายามผลทางให้เป็นเข็มก็ต้องถือว่าเป็นของเล็กน้อยทําไมอย่างนั้นก็สู้มันไม่ไหว พมันยึดเราเป็นขี้ข้ามันมาหลายชาติหลายพบแล้วเนี่ยเป็นขี้ข้ามอาะายชาติหลายภพแล้วมันทบได้เหมือนเชือกไงแต่ด้านทางธรรมวินัยไม่ยอมให้ก็ไม่ยอมให้กับเราไม่ยอมตัวให้พระธรรมวินัยทบเหมือนเชือกเลยเสียกี่เดียวยอมให้มันทบเหมือนเชือก พอเห็นเราก็คอรบมันด้วยสวัสดีครับรแต่เราไม่ขอลบทำเราขอลบกิเลสบา ก, กวาทำงงใครๆก็เหมือนกันต้องพยายามความสำเร็จอยู่กับความพยายามความพยายามจึงบอกว่าวิเยทุกขมัดเจติคนร่วงทุกได้เพราะความเพยายามียร ว่ายงมีเถวาปุร่สูเป็นผู้ชายก็ดีหรือเป็นผู้หญิงก็ดีต้องมีความเพียรล่ำไปเพียรระบาบบาเพ็ญบุญเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องเพียรมันสิ่งที่ทำผิดเพราะมันล่อใจ อ, อกเรามาตั้งล้านชาดแล้ว มันลากสมองเราได้แล้วแต่พอรั่วตัวมันก็สายไปสักแต่ก็ไม่สายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องผิดเสียก่อนความผิดก็เป็นอาการเหมือนกันแต่เป็นอาจารย์ให้เช็ดลับ ความถูกก็เป็นอาจารย์ให้ได้รักษาไว้พิษก็เป็นครูถูกก็เป็นครูเป็นอาจารย์เหมือนกันถ้าไม่มีอุปสรรคก็ไม่มีข้อวัดปฏิบัติเพื่อจะพ้นจากอุปสรรคถ้าโลกสมประสง์หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าชาติ มันสมประสงค์ทุกสิ่งทุกอย่างการปฏิบัติเพื่อนายชาติมันก็ไม่มีเพราะมันสมประสงค์แล้วนฉันใดประเทศชาติมันไม่สมประสง์เหตุฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อนายพบนายชาติมันจึงมีเพราะ ม, มีแต่ทุกขารถีพุทุกขาคําว่าขาถี่พุทธขาเขามีแต่ทุกข์เกิดเป็นเทวดบุตรเทวดาเ ย, ยินผมยมยักษ์ไม่สุขอยู่ว่า แต่ว่าก็ไมหมพ้นทุกสิ่งใดไม่ที่องสรินั้นเป็นทุกเนัชนจึงดิงด่งยินดีดในพระนิพพานเพียงเดียวฮะยีส่สิบค น, นมาไมุ่าดฮะที่ก็จับมอนมาแลา้วพ่อป้า โอ้โอ้ใช่นั่นก็ให <c oughs> ้รกันนะพวกเรานะพวกเราก็ให้พรกันน <c oughs> ี่เป็นันสมโอนี่นี่นี่ครับรับสาด้วยด้วย เป็น้าเช็ดเท้ากับผู้พูวายุทยามันกับพานเองมั่นหรือสระมลีมันกับพานเองมั่นหรือผู้เขาเดียนเล่ามันกับพานเองมันข่ามเองมั่นพระคนท่ามันปหัน เพื่อนัวสัตว์ะมาทเหรฮะก่โออยากได้พวกกระต่ายเออม่เคยเห็นกระต่ายไปเบิงจะไปเอาเอื้อเอาเอาหอบเอาหอบอานี่ที่ผลของการเาัดเขียนกำลังกับตัตกันอยู่เยอนี่เนาะเากรมันมาได้มาในทางที่ไม่ชอบมันก็ไม่ใช่ ทางมนุษย์สมบัติทางสอนสมบัติทางพรมสมบัติทางนิพพานสมบัติพระมรมศาสสดาสอนเลยครบหมเลยไม่มีปรัชญาอะไรไ ด, ได้หรือไม่มีนักปราชญ์ใดๆจะเก่งกว่าพระพุทธศาสนาไปเลยนั่นไม่สอนแต่สอนสมบัติชมสมบัตินิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติก็เสื่อมลงก่อนพระพุทธศาสนานะ วุฒาตาวินเกษตนัน้นคนมันย่อมหาทรัพย์ได้ไม่ใช่มันเล่นเล่ห์เล่นฝานะไม่ใช่มันไปเล่นเมียเขาไม่ใช่มันไปเล่นผัวเขาไม่ใช่มันเกียดข้างไม่ใช่มันไปส่องกระจกเงาส่องกระจกเงาคืออะไรคือเล่นไถ พวกมันนอกคู่ที่อคู่ที่คู่กันอยู่พวกวันนอกคอรักโครักกระบื้องพวกจริงๆคิคู่ที่คู่แฟทางไหนก็จะบอกใส่กระเป๋าเลยนายมะขามี่คู่ที่คู่ก็ผีบ้าใครจะไปเห็นความไหวเนี่ย เดี๋ยวไปทายกันผีบ่าอย่างงี้เพระควาว่านี่ใครจะไปเห็นเนี่ขี้คู่ขี้คูค่เอากันอยู่พะผีบ้าปิดขึ้นที่นี่นี่เรียกว่าอรหันต์ตวงไม่ใช่อรหันตาอรหันตานี่ยท่านบอกว่ามันคลิปหายท่านมองเห็นแล้วนี่เรียกว่าอรหันตตาพวกอรหันต์ตวงมาว่าอย่างขี้คู่ขี้คู่ผีบ้าพวกนี้ นี่นี่จะออกจะวันไหนว่าเขายังไม่ออกจะไปรู้จักทพิว่าอะไรก็เขาออกซะก่อนสินั่นเขามาถามฝนจะตกไหมหรวงปู่วันนี้เออให้มันตกเสียก่อนจะบอดอกอันนี้ก็เมือนกันนะให้มันออกเสียก่อนจะบอดอกมันไม่ออกใครจะไปบอก ก็บอกล่วงหน้าแล้วบอกว่ามันคิบหายงมันคิบหายบอกทางปรมาติก็บอกแล้วว่ามันทางคิบหายหวัวใจใดย่งเกี่ยวข้องอบา ย, ยังงอยู่หวัวใจนะ จะบานปลายในอนาคตในทางที่ทุกข์ใจเจตนาใดมโนภาพใดเห็นโทษในอาวายามุกแล้วหยุดเสียท่านโทษนั้นจะบานปลายในทางสุขติทั้งทางวัตถุนิยมทั้งอุดม ทางทางทางอุลวงปฏิด้วยถึงจะมีน้อย ก, กว่าสมานหรือจะมีมากกว่าสมายพูดโธคําเดียวก็มีค่าพูดโทรเรียกพุดโทขาพูดโทรบัตรโทรบรมีค่านิดเดียว <c oughs> ถูกไหมมีค่านิดเดียวเหมือนแกวเจ้าขาอย่ า, าก็กล้วยแต่ไม่มีจะกล้วยเลย แต่ว่าทาวุ่นอยู่แต่ไม่ได้มาเราไม่สงสัยคําสอนพระพุทธศาสนาไม่ลําบากใจไม่ลําบากใจในเรื่องว่าใครสอนดีในใจโลกธาตุใครเทศดีในใจโลกธาตุไม่เท่าพระพุทธศาสนาไม่เท่าพระสมณะพุทธเจ้าใครจะพูดจนน้าไหลไฟดับก็ตามเถิดไม่เสี่ยวพระสมาณะพุทธตเจ้า แม่เท่ามาเล็ดงาสิ่งที่ควรเทริดเราควรเทริดเรียกว่ารูจรรราร้จักของดีสิ่งที่ไม่ควรเทิดไปเทิดเรียกว่าไม่รู้จักของดีไปแก้ตัวหนึ่งขณะคุยเคี่ยวหาอาหารไปพบปรอยมาเมล็ดหนึ่งนามดีมีข้าว่าจึงพูดเปรย์เปรย์ขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเป็นนี้ โอ้คงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวเหวนตามเดิมนี่เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรสู้แต่เข้าสุกเข้าสาลเมล็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คูเกียไปในเปลงอู่นๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีก็มีประโยชน์แต่ผู้จะจักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้ชั้นใดก็ดีพุทธธรรมสงฆ์เป็นของดีเราไม่รู้จักใช้นี่ ไม่เท่ารักทิของกูหรอมึงนอนฝันยังไงวามึงไปหาพระอาจารย์องค์ไหนบ้างถ้ามึงได้ตัว ด, ดีก็มาให้ปูบ้างสินี่พูดข้คนคุ้มเชื่องกันใครเอาไปข่าวไหนก็ตัวดีๆทั้งนั้นนะมันเสียไปตัวเดินๆนั้นนะั้นละขโมยขโมยตัว โกหกขามายถ้าใครลงกระไดไปแล้วไม่อยอมเสียเปรียบน้าเนทำหน้าตาสบายมีตนได้ตัวดีแล้วอะรี้ย้าสิแพกรก็อก้หลอกลวงเขาผิดกับตัวเองอะตัวไหนก็ตัวดีหมดดีทางกฎหมาย เราไปจะไปทิ้งคืนใส่ไฟอยู่างนี้เพื่อเอารุ่นข่อนคืนมามันก็มีแต่กิดเท่าครับถานแเราลงหน้ามหาสมุทรีะเลงที่แรกเทียงเขาร่มมาอีกเอวเร่งมาอีกหน้าอกเรงมาอีกคอ มีนเนเงียนเน้ยนะสิพื้นปตีมาอีกสิเอาปากเองเรือ ก, ก็หลุดมือไปไม่พายก็หลุดมือไปชักขึ้นฝั่งเอยแล้วะโกอยู่กลางน้ามองตาเรือแค่คืออะไรเชื่อรือทั้เคือทิ่งคำสอนพระพุทธศนนาสนา ไม่ใช่ว่าพรบรมาศาสดามันได้เคยเล่นอวาาัยวุฒิเล่นมาแล้วเล่นออกมาสอบสิงไหนที่เรามาเอามาสอนพวกเราไม่ใช่ว่าพระบรมาศาสดามันได้เสกมาเลยไม่ใช่ว่ามันได้สานอุปสรรคมาเลยไม่ใช่ว่าเบียดเบียนพวกเราขวางหน้าความเจริญโลกไม่ใช่เป็นอย่างนั้น สงสารโลกอยากให้โลกเจริญอยากให้โลกเจริญเข้าสู่พระนิพพานบอกค้นทางเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้บอกค้นทางอยู่ในโลกนี่อยู่ในโลกสักคราให้ทํามาให้ยังชีวิตในทางที่ชอบเนื้อรีบเดินออกเนอเ้อแล้วก็อยู่นานเ น, เออนื้นอช่วงวัใด จะเปีนฝ่ายขึ้นลุ่มมุดล้่มกูดรีบเร็วเนะ้พอพระบรมศาสดาโรค ก, ก็คือล้่มมุดลุ่มกูดเราดีๆนี่เองผููไปสวรรค์ทําไมวะไม่ว่าบอกเขาจะมาบอกทําไมเขาตี้ยขึ้นลุ่มมุดล้่มกูดแล้วแต่พอเขานึกถึงเขาเบื่อไแล้วก็ <This. S 1> ว น, นำมาบอกแต่ ขมกขาราก็มาเป็นพสติกรรมเขาเป็นผีสิงหนาอยู่เองเ่าะว่าเขาไม่มได้มาบอกไปตัวนรกตอนนม้นมาบอกก็มาบอกทไมเขาพราะมีผู้บังคับอยู่ไม่มีเวลามาเรขาห้ามเยี่ยมเาะมีอิทธิพลที่จะมาด้วยอะไรเขาเขายึดหมดแล้วท้องของกจะเอาอะไรมานี่นี่จะทุกข อย ว, ว้ทุกข์อยู่พอไดอยู่ได้รู้เมโกสมาด้วยวิธีไหนนั่นทำไม่ได้อยู่ในตึกมืดเราจะไปบอกนะักโทษที่อยู่ในตึกมืดมามึงทำไมมามาเยี่ยมกูก็ามาเยี่ยมทำไมมันไม่มีเวลามานั่นเราจะไปบอกเทวบุตรเทเวรามาหาเราเ เทวุเทวราเขาก็สนุกเขาม่นานละเขาบอกว่าลงไปหามนุษย์เน้นสามมากเขามนานเขามา่พร้อมจมาละเทวดามีสามชั้นพวกสมุติเทพเทวราโดยสมุติมุขติเทพเทวดาโดยกําเนิด ยิสุทธิเทศเทวดาโดยบริสุทธิ์เทวราโดยบริสุทธิ์คือพระโสดาวันาากพระสักระคารีพระราวันบริสุทธิ์ไปเป็นเอกเทศพระสักระคารีบริสุทธิ์เป็นเอกเทศพระราคามีบริรสุทธิ์เป็นเอกเทศพระอรหันต์บริสุทธิ์หมดเอกทศยิสุทธิเทศพวก เทียโดยสมมติคือเวลาบรรดาผู้ย่าทัถวหรือครูบาอาจารย์หรือความประหารสัจธรรมูุหรือท่านครูบาอาจารย์หรือท่านภูมีคุณณ์ในโลกเทียบโดยสมมุติเทียบโดยกําเนิดคืออยู่ต้นไม้ภูเขาและอยู่อากาศและอยู่ดวงสวรรค์จนตลอดถึงภพโลกเทียบโดยกําเนิด เทพป็นพวกนั้นนั่นเองตะพีส้นทีในคันในไส่ในเท่าในไทเพราะกัดแกคบก็เป็นต้นเป็นตัวขึ้นเลยเหมือนนอนฝันเพราเปลี่ยนรูปก็เป็นตัวเป็นต้นขึ้นเลยนั่ออยู่ในคันในไข่ในเท่าในไทคือพุทขึ้นรักนาลกทั้งร้านก็เกิดพุทขึ้นเหมือนกันเป็นต้นเป็นตัวไปโยโยนี่สิเลาร์ที่ชาติเกิดในคันอันเท่าชาติเกิดในคสนทั้งเสียทีชาติเกิดในเท่าใจ โาาอภาิก็เกิดพุทขึ้นกำเนิดสี่พวกเกิดในคันพวกเกิดในไข่พวกเกิดในเท่าในใครพวกเกิดพุทขึ้นจำพวกขั้งนี่เรียกว่าชาติทำไมถึงเกิดต่างกันอย่างนี้เพราะจำตามจำแนก ความจำแนกกรรให้เป็นดีได้ช่วยกันความและผลของกรรไม่ลำเอียงนอกกับใครเลยเหตุฉะนั้นคนอยู่ในโลกรักช่างรักอยู่ในโลกย่งมีระดับการทรร จึงจับกลุ่มกันเป็นครอบขว ก, กลุ่มไหนอยู่ในระดับไหนเขาก็จับกันกลุ่มที่อยู่ในระดับสูงเขาก็เข้ากันได้กลุ่มอยู่ในระดับกลางเขาก็เข้ากันกลุ่มอยู่ในระดับต่าเขาก็เข้าระดับต่ำแต่พยายามทําดีด้วยไป พยายามทำชั่วเรืยไปก็ต่ําลงไปจิตใจก็ต่าด้วยเศฐกิจก็ต่ําไปในตัวด้วยเศิสติสตก็ต่ําไปในตัวด้วยผล ข, ของกรรมก็ต่ําไปในตัวด้วยเรื่อวของโรคทริปใจทริปทําริปโรคทริปอยู่ทุกยุคทุกสมัย เราลัดตาก็เป็นของทิพย์มืดอยู่ทุกทุกทุกที่ไเราลืมตาก็เป็นของทิพย์ที่เห็นอยู่แต่ว่าทิพย์เนี่ยคำนี้เป็นของกลางทิพย์ไปในทางดีทิพย์ไปในทางชั่วทิพย์ไปในทางพักมรสนิพานอีกของทิพย์นี่อแล่ใใครจะสวยหรือไม่สวยก็ขคุณอยู่กับคนทิพย์ มีรางวัลให้เหุ่การณ์จำและผลของกรรมเป็นเยื่อบำเหน็จยำนานของสำถางไหยเรียาบทเหมือนเงาตามตัวเงาตามตัวจะเห็นได้แต่เฉพาะที่สว่างใสท่านมีเงาเดียวได้เงา ไ, ไปเพียงเจ้ไฟสองเปน็นต้นเงากิตเงาใจละเอียดกว่านั้นมีเงากรรมและผลของกรรมละเอียดกว่านั้น ใครจะเปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนตามพันมดถ้าไม่มีผลกรรมกรรมแล้วผลของกรรมเราก็ไม่ยอมเชื่อวอ่ า, ากุศลกับน้ำมนต์กรรมเราแก่ก็ยอมให้แก่แก่ยุบแกว่าจิตใจ เราจะยอมให้ถือขึ้นเราเพื่อาทำประสงค์เพราะทำปรสงอยู่ที่ดวงใจไม่เอาไว้ที่อื่นถ้าัญหาที่อื่นมันก็ระมือมาพบถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจความดีถ้าเรามีมันก็มีอยู่ที่ใจถ้าไม่ดีไม่มีมันก็ไม่มีอยู่ที่ใจควาชั่วองมั่นกันเพราใจเป็นผู้สร้างขึ้นเพราะใจเป็นผู้ไม่สร้างขึ้นจะปัญหาเอากับใคร ใจไม่รู้รอบครอบใจตอนไหนใจก็ไม่รู้รอบครอบทำตอนนั้นใจเคารับใจตอนไหนใจก็เขารับทำตอนนั้นใจปฏิบัติใจตอนไห น, นใจก็ปฏิบัติทำตอนนั้นอันนี้เป็นธรรมการปฏิบัติไปทางเบาตรงปฏิบัติไปทาบุญนรงยังเกี่ยวกับการปฏิบัติอีก เรมัสาการะะเรามีสติปัญญาอยู่ในใจสิ่งไหนใจพาไปไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ไปเพราะเรามีสติปัญญาดุงนในใจแล้วบูริษาธรรมสาสติเราฝึกใจดีแล้วเราจึงเที่ยวไปคุกมผู้อื่น มีก็ถูกมาจะเที่ยวไปสุดมาหาเราเก็บตัวเกแบสิจะถูกก็ไม่ถูกเพาให้มีอิสระพี่นาเอาไม่ได้บังคับมีอิสระพี่นาเอาฝนม้วนกันเวลาถมันตกก็กตกเพว่เราจะเอาหรือไม่เอาน่ามันก็เป็นเรื่อของพวกเรามันเป็นหน้าที่ของฝน มันตกตามและดูการเลยพราะโรงศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่อสอนให้ใช้เวลาพิจารณาพิจารณาเสียก่อนเลยจึงทําเสียเรื่อยๆดีกว่านิสสัมมการะนต์ก็อยู่ที่ไหนจะขาดพิจารณาเมื่อเราทําำแล้วพลาดไม่มีที่แกน้นับถิ่ม่รุกถึงไหนที่พิจารณาร้อเหลี่ยมพันในแ่ะ ก็ ต, ตลกแล้วดังนั้นถึงภาคก็ไม่พลานมาก Trans พิจารณาในทางนี้หมายความพิจารณาไปทาง พ, พุทธศาสตร์รเนาเมื่อได้พิจารณาเพื่อจะแย่งพุทธศาสตร์นะแต่พวกเราพิจารณาแย่งพุทธศาสตร์นะพูดไปไหนก่อนอไรเรีกไหนหนอเรียกไหนหนออยู่นั่นเรียกว่าแยก ทิดทางกรรมแต่ว่าความเห็นแย่พูดมากมากเหมือนอาตมาหมือนต้องปูเหมืนอนหลวงาตาลองหูนี่เออไปผูกเอาเงินตะกี่ราดมันก็ไม่มันมันก็ไม่ไหวอะไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนเลขอ่ะนะแต่เราก็ไม่สนใจด้วยแล้วก็บอกเรามันกันแลวปู่พูดระวังบ้าเดี๋ยวเขาไปปู่เรื เราะระวังทำไมเราเราไม่ได้เล่นเล่อืเพะเพราะความมึนของเราไม่มีแผลจะเอาพิษมาใส่มันก็ไม่กินเอายาพิษมาใส่เราไม่ได้ระวังเพราะิดใจของเราไม่มีเกีรตินาอย่างนั้นเราก็ไม่ระวังเราจะระวังทำไมถ้าเราไม่เสียดายอย่ากเล่นเราไม่เสียดายอย่ากให้อุบายท่านผู้ใด้รืกเราก็ไม่เสียดายอย่างให้ตื้นเราก็ไม่เสียดายอยาก เรามีอุบายแต่เพียงว่าอยากให้เห็นโทษเท่านั้นมีอุบายเดียวเท่านั้นอยากให้หยุดเท่านั้นมีอยู่สองอย่างอยากให้หยุดอยากให้เห็นโทษก็มีความอันเดียวความมั่นกั็อยากให้ยุดอันเดียวกันเมื่อม่เห็นโทษมันก็หยุดไม่ได้อยากให้เห็นโทษถ้ามันเห็นโทษมันหยุดเองไม่ต้องบอกหยุดดอกนี่เรื่องมันไม่เห็นโทษ่ะมันไม่หยุดอยู่เยอนี้นะอันไหนความมั่นกันหมด ถ้าเราเห็นามันไม่ประโยชน์แล้วก็ทิ้งเลยเลยสูงสุดอย่างไม่ลําบากนี่เรานึกว่ามันมีประโยชน์อยู่บ้างนั่นเขาเข้าใจผิดเช่นน้ำลายอย่างนี้เราบ้วนทิ้งเนีนะ่ยมันมัมีประโยชน์เออแล้วลงังหลวงพ่อเนาะเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปเอาน้ำลายมา ก, กินเขไม่ได้นักใครว่แล้วก็ <laughs> แล้วผม่ได้นัดกับของว่าระวังนะน้ำลายออกไรจะไปเอากินนะ ก็ไม่ได้เตือนจะฟองกัพเพราะมันเห็นว่าไม่มีประโยชน์เ้ยมันเห็นว่ามันมีประโยชน์นนัพอมาถึงขาดนี้นไม่ข้ามได้หรอกยาเกลมของเราถึงดี่งวัานองยาอ ป, ป ก, ก, ออก็หมดหลายเจลอปก็คนเป็นๆเหมือนจิ๋วก็หมดหลาย คนหมอเขาบอกล้มปูล้มปูล้มปูมันจะอดได้ไหมครับบุีถ้าอดไม่ได้ไม่ไหวนะโรคหัใจมันทำให้เลือกฝืดโดยไม่สะดวกเพราะเอาควันไปอกมันก็อรย ได้แม่ลำน้ำหลวกปู่จะทํำยังไงก็ออไม่จับข้าวปากแล้วมันก็แล้ว ก, ก, กันอันนี้ก็ไว้กันชนะความเสียรตข้างของตนด้วยกำลังของต น, งนชนะความเห็นโทษในสิ่งที่ควรเห็นโทษ โดยตนเองเพราะเห็นคุณในสิ่งที่ที่เว้นเห็นโทษที่ในสิ่งที่ไม่เว้นด ย, ย ง, งเต็มภูมิเราก็เว้นไม่ลําบากความดีคนดีทนนําด้ง่ายความดีคนชั่วทําได้ยากความชั่วคนชั่วทำง่ายความชั่วคนดีทำได้าก มีปนญหาในะเรื่องนบเงทุกวันเนี่ยม่้ด้สนใจในเรื่องเหล่านี้เป็นส่วนมากสนใจเรื่องแม้ต้องการมาเกิดมาเกิมาเกิ ด, ม า, ก ด, ม, ากดมาตายอยู่เป็นงานทั้นที่หนึ่ง งานก่างก้อนนั้นลงมาเป็นงานปลอยู่เป็นอัตเดกกระงานเป็นงานแขกที่มาเกยว่าพาดงานนงานของหัวใจหัวใจไม่ไหวใจในวัดตาสองสารไม่สงสัยว่าวัดตาสองสามจะเป็นอื่นนอกจากภูมิฐานเพื่นอนจะนั่งท่านผู้คนไปเลย ท่านจึงผลนไปเลยดีถ้าว่าท่านก็พ้นไปแล้วยังเห็นว่าโลกมีความสุขอยู่เท่าเม็ดงานวิญญาณของท่านก็จะปติดอยู่ที่เม็ดงานนั้นก็ไปไม่ได้ก็สร้างภพสร้างชาติอยู่ในเม็ดงานนั้นหรือไเยเล็กเดี่มนั้นหรือผมนิโกนนั้น มองไม่เห็นแคเลยพราะสิใดไม่เที่ยงสิงนั้นเป็นทุกข์สิ่งไี่ที่เที่ยงแล้วพระเจ้าสอสารเลยเที่ยงจะเกิดจะเกิดจะเกิดแตต่างเที่ยงแต่เกิดขึ้นแล้วแต่กัวและแตกต่ายทั้งอดีตทั้งอนาคนงปัจจุบันนี่หมเมื่อเห็นกรมเป็นจริงแล้วที่จนาอยู่วันี้กางันกางืนนั่นแหละคือศีล นั่นแหละคือสําหรับ